ก็กาบคารวะพระจันร์ชัดชัยแล้วก็เพื่อนสาธรรมิกขอเจริญพรไม่ชีและก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งตามปกตินะวันนี้ก็เห็นพวกเราตั้งใจใ น, ในการเจริญสติ ก็ทำให้ไปคิดถึงว่าเราจะไปขึ้นยอดเขา อ, อย่างไปพู ก, กระดึงอย่างเงี้ยนะเราหวังว่าข้างบนนั้นมันจะสวยงามมากแต่แต่กว่าจะเดินขึ้นไปมันเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยเนาะวันนี้วันที่หนึ่งวันนี้วันที่สองนะนะหลายคนก็ ปรับเนี้ยปรับตัวนะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วบางทีก็ยัง ง, ง่งงยังสงสัยอยู่ว่าเอความรู้สึกตอนเป็นยังไงนะมันทำไปทำไมนะบางทีก็มีความสงสัยนะเพราะสิ่งที่เรามาเรียนรู้เนี่ยนะมันไม่มีตัวตนอะ มันเห็นยาก <c oughs> อายซบอกว่าสิ่งใดที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงสิ่งนั้นจะไม่มีตัวตนความรู้สึกตัวก็ดีความคิดก็ดีมันเร็วกว่าแสงมันก็เลยไม่มีตัวตนแลที่ยากลำบากอีกอันหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียนหรือศึกษามาโดยใช้ระบบความคิดหาเหตุหาผล อ่ามาเรียนการเจริญสติเนี่ยไม่ใช้ความคิดเลยนะอย่าไปใช้เลยนะทิ้งหมดเลยนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสัมผัสสัมผัสแรกสัมผัสบริสุทธิ์ที่มันไม่ต้องใช้ความคิดเพียงแค่เราพลิกมือรู้สึกยบมือรู้สึก เอามือไปเอามือมารู้สึกรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเท่านั้นไม่ต้องไปคิดพลุบางคนไปคิดคิดรู้สึกอย่างนี้โอ้ยยิ่งซ้อนไปใหญ่เลยการเรียนรู้การเจริญสติโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องใช้ความคิดนะเพียงแค่ยก รู้สึกเพียงแค่เคลื่อนรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกตัวไงมารู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าเคลื่อนรู้สึกตัวว่าหยุดแค่นั้นแหละอย่าไปมากกว่านั้นถ้ามากกว่านั้นก็จะกลายเป็นความคิดละนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่เรียนมาในระบบการศึกษาแบบตะวันตกที่ใช้ความคิด หาเหตุหาผลและส่วนใหญ่เราก็จะต้องถามต่อไป ว, ว่าทำแล้วมันได้อะไรมันมีประโยชน์อะไรซึ่งคำถามมันเนี่ยเป็นคำถามที่เราเรียนหนังสือมาเราจะคุ้นเคยแต่สิ่งที่เราจะสัมผัสได้เนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะไปรู้ก่อนที่จะประสบเพียงแต่กูบาจ า, ารย์นดูว่า ท่านที่เดินผ่านมาก่อนเล่าให้ฟังเราก็นึกภาพออกนะว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางคนที่ยังไม่เคยไปภูกระดึงก็นึกภาพไม่ออกว่าข้างบนภูกระดึงมันเป็นยังไงแต่คนที่ไปแล้วก็จะบอกเลาว่าโอ้โหมันสวยงามนามันเย็นสบายนะแต่กว่าจะเดินขึ้นไปถึงก็เนะหนื่อยนะโอหเนื่ยน่ดูเลยนะใช่ไหมที่เรามาทำเนี่ยก็เหมือนกันนามันก็ต้องเหนดไง มันต้องออกแรง ม, มันไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือรู้โดยที่ไม่ออกแรงหลายคนคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือธรรมะอ่านเสร็จแล้วก็เข้าใจแล้วก็คิดว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วแต่พอเราเผชิญกับโลกกรรทำเช่นมีคนก็ามานินทาเรามีคนก็ามาว่าเรา เสียใจแล้วใช่ไหมหรือเคยมีเงินมีทองเงิงนหายเสียใจและของที่เรารักมาหายไปเสียใจล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากตำราเนี่ยมันไม่พอใช้หรอกนะแล้วมันใช้ไม่ได้ด้วยจริงๆแล้วอะนอกจากความรู้จากตำราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วเนี่ย แม้แต่การนึกการคิดอย่างมีเหตุมีผลบางทีมันก็ไม่ทันกับอารมณ์มาไม่ทันกับความโกรธมาไม่ทันกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเราโดยจะไม่ ย, ยิ่งความมึกคิดปร่งแต่งความมึกคิดปรงแต่งเนี่ยมีที่ผลต่ำเรามากที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยนะเราทำอะไรเราก็ต้องคิดก่อนใช่ไนหะ แล้วมันคิดพูงแต่งไปในเรื่องต่างๆจนล ใ, ในที่สุดเนะี่ยเราเรากับความคิดมันคืออันเดียวกันมีนักปรัชญาชาวไม่น่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสรหรือเปล่าชื่อเดคานนะ์เขาบอกว่าฉันคิดฉันจึงมีอยู่นะ น, นี่คือเป็นปรัชญาของฝรั่งฉันคิดฉันจึงมีอยู่เพราะนั้นความคิดก็คือตัวเรา เราเรมาเรียนเรื่องนี้เนี่ยเรามาเรียนการเจริญเติบโตเรามาเรียนทิ้ความคิดเลยนะความคิดมันเปนสมมติมาเป็นสิ่งที่นึกคิดขึ้นมาเราคิดด้วยบาง ต, ตัวบาง ต, ต, ต, ต ข, ขึ้นมามาเส้นตรงเนี้ยเราสุขเราทุกข์มาสังเกตให้ดูนะชีวิตของเราเนะี่ยมันสุขมันทุกข์เพราะว่าเราคิดเราคิดตรงๆเราคิดวาดฝัน ไปมาเร่อต่างๆสิ่งที่พี่นี้ไม่ได้หมายถึงความคิดที่เราไปทำงานนะไอ้ความคิดทํางานนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ความคิดอันนี้เป็นความคิดปลุกแต่งเป็นความคิดจุกจิกๆวันหนึ่งวันนึงเคยสังเกตไหมวันไหนเราคิดมากๆวันนั้นเราจะเพลียเราจะเหนื่อยเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันเป็นความคุยชิน ที่เรากระทบกับโลกแล้วเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนู้นบางทีก็คิดป้องกันภัยไว้ก่อนคาดการณเรื่องหน้าว่าไอ้นั่นจะเกิดไอ้นี้จะเกิดบางทีก็ไม่เกิดเหมือนในปีที่แล้วอะกลัวกันเลยโลกจะแตกวันที่เท่าไหร่ยี่สบสามหรือยี่ิบสองตันวาคมคนแตกตื่นเลยมีการปักตรีนกันอะไรกันแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรอันนี้เป็นเรื่องของความคิดอีกเหมือนกัน ความที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดนะก็ทำให้เรามีสุขมีทุกข์ชีวิตที่ผ่านมาถ้าสังเกต ด, ดูคนที่มีความทุกข์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันอารมณ์ไม่รู้ทันความรู้สึกที่ีอยู่ภายในน่ะเราก็เลยทาอะไรไปตามอารมณ์ทาอะไรไปตามความคิดทาอะไรไปตามความเคยชิน ซึ่งบางทีก็เกิดผลร้ายอา ง, ง่ายๆเนี่ยอย่างใครมาว่าเราแล้วเราโกรธเนี่ยเราก็โตอตอบทันทีนะเกิดอะไรขึ้นการทะเลาะเบาแวงกันการตบตีกันบางทีถึงขนาดฆ่ากันเลยยิ่งคนปัจจุบันนี้อารมณ์ร้อนนะใจร้อนด้วยถ้าไม่ถูกกันนิดหนึ่งยิงเลยก็ได้ฆ่ากันเลยก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ อันตรายชีวิตของเรานี่ไม่แน่นอนถ้ายังขึ้นอยู่กับอารมณ์นะถ้ายังขึ้นอยู่กับความคิดนะหรือบางคนคุณคิดมีปัญหาหาทางออกไม่ได้มันติดตันนะแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปคุยกับใครด้วยเก็บตัวเก็บความคิดเก็บปัญหาไว้สุดท้ายหาทางออกไม่ได้ตายดีกว่านะคิดว่า ตายแล้วมันจะหมดปัญหาจริงๆปัญหาไม่มันเป็นหนาที่เราคุ้นคิดการไปฆ่าร่างกายเนี่ยมันผิดตัวแล้วสิ่งที่เราจะต้องฆ่าคือฆ่าความคิดฆ่าความคิดที่มันคุ้นคิดนะ่ะที่มันปล่อยวางไม่ได้ตัวที่จะฆ่าความคิดได้คือความรู้สึกตัวซึ่งเป็ น, ปนกลไกของธรรมชาติที่มันมีเราสังเกตนะ เวลาเราโกรธเนี่ยถ้าเรารู้เอ๊ะเราไม่น่าโกรธเลยเมื่อหลัความรู้สึกตัวมันกลับมาแนละ้ธรรมชาติมันมีอยู่กลไกนี้มันมีอยู่แต่ความรู้สึกตัวที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่พอใช้มันไม่ใหญ่พอรู้โกรธมไม่ดีแต่มันก็ยังโกรธอยู่ใช่ไหมตรง น, นี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือ ที่จะไปต่อรองกับความคิดที่จะไปต่อรองกับอารมณ์ตัวที่จะต่อรองได้คือความรู้สึกตัวภาษาบาลีเรียกว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแล้วทุกคนแต่มันมีไม่พอใช้ถ้าเรียกตอ น, นง่ายคือมันยังเฉื่อยอยู่มันยังไม่ฉับไวพอมันยังไม่ทันกับความคิด แล้วจะทํำยังไงอ่ะความรู้สึกตัวมันเป็นนามธรรมมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นอาการหนึ่งของใจใจเนี่ยมันอยู่ติดกับสิ่งที่เรามองเห็นได้คือกายร่างกายของเราเนี่ยกับใจมันติดกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าไปรู้ใจเข้าไปรู้อาการของใจที่เป็นความรู้สึกตัวก็ดีความคิดก็ดีเราจะผ่านทางกาย ผ่านทางร่างกายของเราการผ่ามทางกายเนี่ยมันก็มีเทคนิคมีวิธีการหล า, ายแบบในในพระไตรปิก็พูดไว้เช่นอานาปนาสาติการกําหนดที่ลมหายใจการใช้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะให้รู้สึกกับการยืนเดินนั่งนอ น, น, อนสัมประชัญญะปัฏพระนะก็คืออย่างที่เราทํากันอยู่นี่แหละ ก็คือมีความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนหรือเอรียบทไหวก็ตามเรามาทําตรงนี้นะเพื่อปลุกความรู้สึกตัวหรือกระตุ้นความรู้สึกตัวที่มีแล้วให้มันจับไวขึ้นให้มันติ่นตัวขึ้นให้มันเท่าทันกับความคิดที่มันเร็ว เร็วยิ่งกสงเร็วงกว่สายฟาแลบเขาบอกสิ่งที่เร็วกว่าแคือความคิดแต่สิ่งที่เร็วกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวอาตมาเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะต้องเอาเครื่องมือมาวัดแล้วสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลคือความรู้สึกตัวเนี่ะสิ่งที่ลร็ที่สุดแล้วมันจะเป็นคู่ปรับกันด้วยนะเพราะฉะนั้นตรง น, นี้เนี่ยนาการที่เราจะกระตุ้นหรือจะตกความรู้สึกตัวนั้น เราจะอาศัยการกระตุ้นหรือการเคลื่อนไหวของกายถ้าเป็นอานาปาณสือก็ใช้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรูก้ซึ่งเป็นวิธีการที่หลายคนเคยฝึกมาทำไมเองก็เคยฝึกแล้วก็ได้ความรู้สึกตัวได้ปิติได้ความสุขและไปเข้าใจว่าไอ้นั่นน่ะคือเป้าหมายแล้วไอ้นั่นน่ะคือที่สุดแล้ว จริงๆไม่ใช่อ่ะเป็นอารมณ์ที่มันพอเหมาะพอดีที่มันเกิดขึ้นแต่เลมายใจมันมีจุดอ่อนอันหนึ่งก็คือมันเบาและมันเป็นเองเพราะนั้นคนที่ฝึกอาบรารณตเนี่ยถ้ากําลังสติไม่เข้มแข็งพอโอกาสที่จะหลงมีง่ายหลงแล้วก็หลับแล้วก็ตกไปในภวังแล้วก็มึงเขาเรียกว่าสงบแบบมึนอ่ะสงบแบบไม่รู้ตัว หลายคนฝึกสมาธิเรื่อยหวังจะสงบนิงน่งๆซึ่งในความสงบนิงน่งๆเนี่ยมันก็ดีนะมันได้พักใจชั่วขณะหนึง่งแต่เมื่อเรามาเผชิญกับโลกเนี่ยไอ้ความสงบตรงนั้นมาใช้ไม่ได้นะเราไม่รู้เท่าธานอารมณ์ยิ่งคนบางคนเนี่ยติดสงบนะนะยิ่งทำเนี่ยพอตื่นมาทำการทำงานเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนที่ โกรธง่ายขึ้นนะโปรธง่ายขึ้นจะเป็นคนที่ไม่อยากจะพูดคุ ย, ยกับใครจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเงีนเนยบๆถึงเวลาก็อยากจะเป็นนั่งหลับตานิ่งๆอยู่ในห้องแอร์เย็นๆอยู่หน้าพระและคิดว่าอันนั้นน่ะคือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมแล้วจริงๆไม่ใช่นะอันนั้นเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้คิดอะไรพล้วเราก็กดความคิดเอาไว้ ไม่มันคิดการปาเกิดความคิดเนี่ยก็คือการไม่เผชิญกับความจริงสติของเราก็จะไม่กล้าพอมันจะไม่ฉับไวพอมันจะไม่แข็งแรงพอที่จะไปต่อกรกับอารมณ์หรือความคิดเพราะนั้นคนที่ฝึกโดยนั่งสงบนิง่งไม่รับรู้อะไรเนี่ยนะจะกล า, า, า, ายเป็นคนเฉยจะเป็นคนกลายเป็นคนขี้เกียจขี้คานได้ง่าย และบางทีเนี่ยการไปนั่งสมุบนิ่งๆหลับตาเนี่ยนะถ้าสติไม่ชัดเนี่ยไม่แข็งแรงไม่ฉับไวพอนี่มันจะมีมิตรอะไรต่างๆเกิดขึ้นแปลกประหลาดบางคนนั่งไปนั่งไปตัวหายอืมลมพอมันอ่อนอ่อนมันหายไปเลยตกใจามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็ไปจินตนาการในเรื่องต่างๆที่เรายินได้ฟังมา บางที่บางแห่งนี่มีครูบ า, าจารย์พูดในฝังด้วยนะเดินเดินไปอย่างนี้นะตามมาอย่างนี้นะเห็นหรือยังนรกเป็นรูปเล้าอย่างนั้นสวนนรรค์เป็นรูปเล้ า, า, า, อาอาาย่างนั้นเป็นจินนาการตามคําพูดของครูบาจารย์ซึ่งอันนี้เป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จิตมันสร้างขึ้นมามันหลอกเอาเป็นมายาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไปคิดว่าโอ้โหเราวิเศษแล้วเราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น เันสิ่งที่คนทั่วไปไม่ได้เห็นจริงๆมันหลอกตัวเราเองเพราะนั้นการนั่งหลับตาเนี่ยถ้าสติไม่ชัดโอกาสหลงมีมาก <c oughs> ในอริมักมืองแปดเนี่ยจะมีสัมมาสติมาก่อนสมาธินะเพราะนั้นไปฝึกสมาธิโดยไม่มีสติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง งานนี้ก็คือการที่เรามีไปติดอ่กับความสงบเพราะฉะนั้นการมาเจริญสติที่วัดป่าสุกตัวเนี่ยเราจะไม่นั่งหลับตาเนี่ยเหตุผลที่ไม่นั่งหลับตาเนี่ยประการแรกก็คือว่าจะได้ไม่เื่องจะได้ไม่หลับแต่มันเมื่องหลับอะใช่ไหแต่มันช้าหน่อยอันนี้สองก็คือเผชิญกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น แน่นอนแรกๆเราก็ยังสู้กะลมไม่ได้สู้ความคิดไม่ได้แต่พอเราทําไปบ่อยๆเรื่อยๆทาบ่อยๆเรื่อยๆเยอกําลังของความรู้สึกตัวมันจะฉับไวขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นมันเหมือนนักมวยอ่ะก่อนขึ้นชกเนี่ยมันต้องชกกระสอบซายก่อนใช่ไหมถ้านักมวยไม่ได้ชกกระสอบซายไม่ได้ซ้อมเลยเนี่ยขึ้นเวทีเนี่ยเดินชกเรียบร้อยไปเลย แล้มาฝึกสติอย่างเงี้ยเราก็ซ้อมกับอารมณ์ซ้อนกับความคิดซ้อนกับความเม่องที่มันมามาเชิญกับเราแล้วเราหลบหลีกมันได้ยังไงหรือเราหาทางออกได้ยังไงซึ่งสิ่งที่เราจะใช้กันเน่ยมีอันเดียวเลยกลับมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวกลับมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหว ที่เรายกมา้ายกมือเนี่ยเรารู้ไหมเราจะ่าไปยกตปล่าๆยกฟรีๆนะบางคนยกอัตโนมัตินะยกไปงั้นเนีะยจะไม่รู้ตัวนะใจก็คิดไปนู่นคิดไปนี่ไม่รู้เลยอันนี้ยกฟรีเลยไอ้มองคนยกอัตโนมัติเลยนะไม่มีหยุดจริงๆการยกเนี่ยมันต้องมีเคลื่อนมีหยุดและขณะเคลื่อนก็รู้ขณะหยุดก็รู้ ใส่เจตนาที่จะรู้สึกกันไปก่อนอย่าไปยกเฉยๆยกเฉยๆโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยฟรีนาแล้วมันจะกลายเป็นเบื่อไปเลยยกทําไมนานี่ก็เป็นสิ่งที่อย่เกิดขึ้นนี่เหมือนเดินเหมือ น, นบางคนเดินไปคิดไปเดินไปคิดไปอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเดินไม่มีสติเคยชินกับการคิดเพราะ ก, กําลังของความคิดเนี่ยมันแรง มันก็ลากไปใช่ไหมพอมันลากไปเนี่ยเราก็ไม่ทันแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยให้หยุดก่อนเช่นเวลาเรายกแล้วมันไม่รู้สึกตัวหยุดสักนิดหนึ่งก่อนแล้วตั้งใจใหม่ตั้งใจที่จะรู้สึกรู้สึกกับการยกรู้สึกกับการเคลื่อนรู้สึกกับการหยุดเพียงแค่รู้สึกรู้สึกที่กายเนี่ยเป็นเบื้องฐะเป็นพื้นฐานเลยนะ เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ด้วยนะตอนนี้ต้องให้ชัดก่อนอย่าพึ่งไปยื่งกับความคิดอย่าพึ่งไปดีจิตเพราะความคิดกับจิตมันมีกำลังมากถ้าเราไปดูมันไปสมใจมันมั น, มนดุดเขาไปเลยเหมนความเรื่องแบบตอนนี้ถ้าเราหลับตาหลับเลยต้องฝืนมันอย่าไปตามมัน กลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวอย่านั่งนิ่งๆนะเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวบ่อยๆเพราะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยเ้าจึงเริ่มต้นที่กายานิพพานสติปัฏฐานก็คือการมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายตรง น, นี้เราต้องทำบ่อยๆทาเรื่อยๆทำบ่อยๆทําเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดนิสัยเกิดความคุ้นชิน กับความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเรามาทําตรงนี้บ่อยๆเนี่ยนะมันจะเป็นการทอนกําลังความคิดทอนกําลังอารมณ์ให้มีกําลังน้อยลงเป็นการปล่อยวางไปด้วยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปพูดเลยว่าปล่อยวางปล่อยวางไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องไปบอกว่าหยุดความคิดไม่ต้องไปพูดเลยเพียงแค่กลับมารู้สึกตัวเนี่ยทำตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยความคิดมันจะหลุไปเอง อารมณ์มันจะหลุดไปเองมันเป็นไปเองเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าในเบื้องแรกอย่าไปสนใจความคิดอย่าไปสนใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาไม่สนใจมันเลยมาสนใจที่กายเคลื่อนไหวนี้ให้ด้วยบ่อยๆตรงนี้เป็นฐานสำคัญกลับมาตรงนี้บ่อยทามันนี้อันเดียวเลยไม่ต้องไปทำอย่างอืเลย ใครที่อ่านหนังสือมามากๆใครที่ฟังมามากๆเลยนะทิ้งให้หมดเลยตำรับตำลาความจำเราเก่าทิ้งให้หมดเลยเพราะนั้นน่ะเป็นความจำเรามาสัมผัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าความรู้สึกตัวขณะเคลื่อนไหวเนี่ยเฉพาะหน้าแล้วมันก็จะมีสิ่งต่างๆสร้างกัามาโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ย ภูเขาลูกแรกสองวันแรกนี่คือความม่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความหนุดหนึดอ่าเนี้นนเป็นสิ่งที่จะมาเพราะาอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็ น, น, ป น, น, ป น, น, ปนอารมพรื้นฐานนะที่มันจะผ่านเข้ามาและความม่วงเนี่ยเป็นสิ่งตรงข้ามกับความตื่นเพราะฉะนั้นที่เรามาทำเนี่ยเราจะทำให้มันตื่นใช่ไหม สิ่งที่ก่อนจะมาตื่นมันต้องหลับก่อนใช่ไหมมันง่วงก่อนใช่ไหมพอมันง่วงถึงที่สุดแล้วมันตื่นหลายคนมันเลอะคงจะเจอละนะบางคนอาจจะไม่เจอแล้วก็ไม่เป็นไรนะพยายามทําต่อไปเพียนต่อไปความง่วงเนี่ยเรียกว่าเป็นภูเขาเป็นเครื่องกลางกั้นเรียกมันวินอนนะทุกคนต้องเจอคนเก่าก็ยังเจอมีคนประเภทเดียวที่จะไม่ง่วงคือพระอรหันต์ อันนั้นเรยไม่เป็นพระหลานยังไม่ต้องไปพูดถึงนะซึ่งอันนี้นเป็นเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่ากลางวันเราไม่นอนเรื่อไงไหนเราก็ไม่นอนเราสังเกตไหมความเมื่อยที่เป็นนิวร์นี่นะถ้าไม่ใช่ความเมื่อยที่ร่างกายเราจะเห็นที่ชัดเลยเช่นเราเดิจนจงกลมอยู่มันเน่วงเลยนะเราลองออกจากลานจงกลมมันหายเลยให้ความเมื่อยแบบนิวรนะ์น่ะ ใช่ไหมเราหลอกมันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายเลยหรือนะบางทีเราเดนินพระช้าเดินเร็วขึ้นปลุกให้รู้สึกตัวเดินถอยหลังบางบางทีมันก็ตื่นขึ้นมาเลยใช่ไหมอันนี้ให้เราสังเกต ด, ดูเพราะฉะนั้นการมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยให้ด้วยบ่อยๆเรื่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะเด่นชัดขึ้นมา สิ่งที่เป็นนามธรรมที่เป็นความรู้สึกตัวมันจะเด่นชัดขึ้นมาเราจะสังเกตได้ไงว่าความรู้สึกตัวมันเด่นชัดมันมีพัฒนาการอหนึ่งก็คือว่าวันแรกเนี่ยหูเนื่องสุดๆเลยเนื่องยังไม่เคยเนื่องเลยพอวันที่สองวันที่สามนี่มันเริ่มที่จะเบาแต่ไม่แน่ว่ามันคนอาจจะหนักอีกแต่วันที่สีเนี่ยความเนื่องยังมีอยู่แต่น้ําหนักมันจะน้อยลงที่มันน้อยลงเพราะอะไร เพราะความตื่นมันมีมันเข้ามาแทนที่แล้วใจคนเราเนี่ยมันจะรับรู้ได้ที่อารมณ์นั้นนั้นเองไม่ได้ความเงี่องครอบงำความตื่นไม่มีแต่ไม่ได้มีความตื่นความเงี่ยงมันจะไม่มีมันจะทดแทนกันอย่างเนี้ยเหมือนความมืดกับความสว่างความร้อนกับความเย็นมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาทําเลยนะเป็นสิ่งที่เราจะให้ไปทดแทนไปทอนกำลังความคิด ก็ลเลยต้องทําบ่อยๆนะบางคนก็ถามไม่ให้แล้วจะต้องทํามาละกี่เคยมีนะวันนึงควรจะทํากี่ชั่วโมง อ, อ, อาจารย์ใบาสาเนเคยไปถามหลวงพ่อเทียนสมัยไปฝึกที่วัสนามนายจําได้หลวงพ่อเทียนบอกไงรู้ไหมยี่บสี่ชั่วโมง <laughs> ตั้งแต่ตื่นยันหลัก ยี่สสี่ชั่อมองนั่นหมายถึงในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบที่เรามาทําเนี่ยในรูปแบบนอกรูปแบบก็คือฉวยโอกาสในรูปแบบนี้เราเล่นจากความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวบ่อยๆบ่อยๆแล้ว อ, อ, นะอย่าไปให้ค่าอย่าไปสนใจความคิดเลยนะอย่าไปดูจิตเลยนะใครเคยได้อ่านหนังสือเร่อดูจิตดูจิตเนี่ยทิ้งไปเลยเพราะความรู้สึกตัวเรายังไม่ชัดนะ่ะไปดูจิตมันก็เลื่นถาลายไปหมดนะสมัยก่อนธรรมมาไปฝึก การหลวงพระเทียนใหม่ๆก็เหมือนกันก่อนที่มันเรียนรู้กับหลวงพระเทียนนี่เคยไปเรียนอนาปนาสติแล้วก็ชอบอ่านหนังสือธรรมะในหนังสือธรรมะก็บอกว่าการเห็นธรรมะก็คือเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ไปดูความคิดสิมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปยังไงสุดท้ายเนี่ยมันดูความคิดแล้วตามความคิดแล้วมันเป็นไงอ่ะ มึนเลยมึนหัวเลยเพราะมันคิดมันจมอยู่ในความคิดอาจารย์หลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อกำเขียนนี่แหละท่านบอกอย่าเพิเง่งไปสนใ จ, จความคิดให้กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้มีสติที่กายให้ชัดก่อนในสติที่กายชัดเนี่ยแล้วมันจะเห็นจิตเห็นคิดแล้วมันจะไปรู้ทันนะตรงเนี้ยเป็ น, น, นะ น, นจุดสําคัญ เพราะฉะนั้นตรนี้ถ้าใครรู้สึกทำแล้วไม่ก้าวนะ้าให้กลับมาตรงนี้ก่อนอยู่เรื่อยๆคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยอย่าไปกินบรราการแล้วกว่ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันปรากฏขึ้นมาโดยที่เราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆอย่าใช้ความคิดเลยนะมันคิดอะไรในะทิ้งนี้มเลยนะแม้แต่ความคิดที่บอกเราว่าไม่เห็นประโเลยทำไปก็ไม่เห็นมีอะไรเฉยๆ นี่ไอ้นี่มันจะพายเราออกเบื่อไหมทำอะไรวะซ้ำๆ ซ, ซากๆยกมืออยู่นั่นแหละเดินเรื่อยพอบันทีนโดยเฉพาะคุณที่โดนเกมมาเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่หยุดห่วยงานสั่งมาเนี่ยก็ทำานุใหม่วะไม่อยู่บ้านดีๆเนืน่ได้สบายๆมาอยู่ที่นี่แดดก็ร้อนนอนก็ไม่อิ่มกินข้าวเย็นก็ไม่ได้ ให้มาเดินทั้งวันเดินไปทำไมใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่เดินทุกบีบมันยังไม่เดินทุกถีบมาเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เห็นความสำคัญแต่คนที่ตั้งใจมาคนที่มีความทุกเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้ดีแต่ก็ไม่เป็นไรนะเขาส่งมาแล้วก็ใช้เวลาให้เต็มที่ทาตรงเนี้ย ทำความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันซ้ําๆซากๆมันเบื่อเบื่อละก็เป็นเรื่องของเบื่อเราไม่สนใจเราก็ทําเรามันคิดเหรอคิดไปเราไม่สนใจเรากลับมารู้สึกตัวเนี้มันง่วงละก็ง่วงไปก็เรื่องความง่วงเรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเรียกว่าเล่นกับมันซื้อๆแบบนี้เลยเล่นแบบลุกทุ่งลุกทุ่งเลย ไม่สนใจไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดที่มันเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆตรงนี้ความรู้สึกตัวมันจะเด่นมันจะเด่นขึ้นมาพอมันเด่นขึ้นมาเนี่ยทีนี้ความคิดมันจะมีกำลังน้อยลงแนละมันจะมาครอบงาใจเราไม่ได้แล้วทีนี้บางคนกลัวเฮ้ยเดี๋ยวความคิดมันหมดทาไงเป็นหมดหลักไม่ต้องกลัวแล้ว มันเป็นโรงงานผลิตความคิดแต่มันจะเปิดประโยชน์ตรงนี้เราจะจัดระเบียบความคิดได้อันไหนจะคิดก็คิดเพื่อการเพื่อ ง, งานอันไหนที่เป็นความคิดจุกจิกติดไม่เอาละเราปิดลิ้นชักได้เลยแต่ก่อนเราทําไม่ได้ตัวสติตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเขาจะบงคนคนจัดการเราไม่เป็นคนจัดการเขาจะไปจัดการ เส้นตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับการนำการทํางานการใช้ชีวิตนะตรงนี้จะเป็นประโยชน์พระเดนไม่ต้องกลัวนะความคิดไม่หมดหรอกมันก็ยัมาอยู่เป็นธรรมชาติของเขามันเหมือนสายลมแสงแดดนีมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพียงแต่ว่าให้เรารู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทําตรงนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่น แล้วอะไรอะไรมันจะปรากฏออกมาให้เราเห็นแต่ตอนชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เคยสนใจเนี่ยเราจะหลงไปอยู่ในอารมณ์หลงไปอยู่ในความคิดหลงไปอยู่ในสิ่งต่างๆ ท, ที่มันเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้รสกายสัมผัสใจนึกคิดเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีที่พึ่งเลยเราทำไปตามอารมณ์เราทำไปตามสิ่งที่มันอูข้างนอก อันไหนที่เป็นความสุขเราก็อยากใหมันอยู่กับเรานานๆอันไหนที่เปความทุกข์ก็อยากอยให้ออกไปแต่ความเจ็งสิ่งเหล่านี้ไปบังคับไม่ได้ความสุขเดือวมาก็ไปความทุกข์เดือวมาก็ไปสังเกตไหม่ะความเื่องเมื่อตอนเช้าเมื่อตอนกลางวันตอนนี้ยังเงื่อยอยู่หรือเปล่าความปวดความเมื่อยที่เราเดินน่ะมันยังปวดยังเมื่อยอยู่ไหมมันถึงเวลามันก็หายไปเห็นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ ทีนี้เมื่อดูกายบ่อยๆนะเห็นกายเคลื่อนกายไหวมีใจรับรู้มันจะแบ็นอาการปวดอาการเมื่อยเปลี่ยนความร้อนความเย็น <c oughs> ที่เราสัมผัสแต่ก่อนเมื่อเราเปิดเราเมืม่อเราหลงเหตุเลยใช่ไหมเราไม่พอใจเลยใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนวิบติดเราใช่ไหมแต่เมื่อเรามาทําตรงนี้เราเปวดเราเมือเม่อยเรารู้แต่ใจเราปกติตรงเนี้เคยเจอไหม ตมงนี้จะจปใช้ประโยชน์ตอนเราเจ็บป่วยได้เจ็บป่วยแล้วเราใจเราไม่ป่วยด้วยก็เป็นเรื่องของกายไปเพราะนั้นที่เรามาฝึกกันเนะนะเราฝึกตรงนี้ฝึกเพื่อให้เราได้สัมผัสกับความทุกข์ความทุกข์ที่มันปรากฏเพราะนั้นอริยสัจสีข้อแรกึงเป็นทุกข์ไงหลายคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคิดว่ามาถึงแล้วมันนิ่งสงบสบายเย็น ให้มันภาพโฆษณาที่เขาติดไว้ตามสี่แยกไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเลยหมามาวันแรกในกะว่าจะมานั่งนั่ ง, งสงบสงบหลับตาสบายที่ไหนได้โอ้ฟุ้งซ่านกับฟุง้งซ่านปวดเมื่อยกับปวดเมื่อยง่วงนอนก็ง่วงนอนนี่แหละคือธรรมะที่มาแสดงให้เราดูเพราะฉะนั้นการเห็นหมาเนม่ น, ม น, มนคือเห็นสิ่งนี้ก่อน แต่มีใชไหมบางบางจังหวะเนี่ยบางคนเนะ่ะเดินไปเดินมามันหายเงี้ยงแล้วมันปิติซาบซ่านขึ้นมาสบายใจปอลอดโปร่งมันก็มีไม่ใช่มีแต่แ ง, ง่แง่ไม่ดีหรือบางทีทําไปทํามาเนี่ยโอ้โหดีจังเลยนะคิดถึงอยากจะให้คนนี้มาอยากย้ายคนนี้มาอันนี้เป็นเป็นกุศลละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นธรรมะเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏสิ่งที่จะแสดงนะนะ <c oughs> มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกเราไปคิดวนะ่าธรรมะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วเจอเห็นสีเห็นแสงเห็นเมล็เห็นสวรรค์เห็นอะไรไม่ใช่เนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละขณะแต่ละขณะให้เราเห็นตรงนี้บ่อยๆเห็นบ่อยๆปัญญามันจะเกิดจากการเห็นไม่ใช่เกิดจากการคิดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกายของเราจากใจของเรา กายก็มีอาการปวดอาการเมื่อยอาการร้อนอาการเยนอากาศหนาวความปวดความเมื่อยนี่บางคนแพ้แพ้ยุงแพ้มแมลงเป็นผพดพื้นคันขึ้นมาเนี่ย น, นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกายอาการหนังใจก็มีตั้งแต่เรื่องความเมื่อยความเบือความฟุ้งซ่านความปิติซาบซ่านนะ ที่แม้แต่ความปกติเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องดูเข้าไปตรงนี้แต่ก่อนเราไม่ได้ดูเนี่ยเราก็ถล่มลึกลงไปเลยไปเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ถล่มไล่ห็นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ดูมันมีสุขมีทุกข์ก็เป็นเรื่องของสุขทุกข์ไปแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปหัวใจเราก็เป็นปกติใจปกตินี่แหละหัวที่ช่วยเรามีชีวิต แต่ใจปกตินียรถมันจืดมากเฉยๆแต่มันไม่เฉยแบบซึ้งไปนะเฉยแบบมีปฏิภาณหมายพิษใจพร้อมที่จะทําการทํางานเพราะฉะนั้นหลายคนในบางทีทําไปซ้ำซากซ้ำซากแล้วมีอาการมันมันเฉยๆมันมันเบื่อเบื่อมัทีมันก็เฉยๆมันไม่สุขแตาก็ไม่ทุกมันก็เฉยๆหลายคนก็เลย บางทีทำไปทํามาเนี่ยนะก็หยุดทำเพราะไม่เห็นมีอะไรทําไม่เนไม่เลยไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรล่ะมาเราไปหวังไปคิดไปจินตนาการงานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องดูสังเกตไหมเวลาเราแก้หายน้ำเน่ยน้ําที่เที่เราแก้หายคือน้ําอะไรน้ําจืดใช่ไหม แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถามว่าถ้าให้เราดื่มเนี่ยเราเลือกอะไรชาเขียวบ้างน้ำหวานบ้างซาซาบ้างรถที่นี้น้ำที่มีรสชาบ้างใช่ไหมแต่สุดท้ายดื่มน้ำที่รสชาติต่างๆก็ตามมันมาจบที่น้ำจืดเหมือนชีวิตของเราสุดๆทุกๆเนี่ยสุดท้ายมันต้องมาปกติปกติเัมือนขณะที่เรานั่งอยู่ตอนนี้สังเกตก็ดูดูดูตัวเราเนี่ยถ้าเรา ไม่สุขก็ไม่ทุกข์ก็เฉยๆเป็นปกติไหมอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นที่อยู่ของเราเพราะนั้นการฝึกจลน์ตัก็คือกลับมาเป็นปกติให้ได้บ่อยๆบ่อยๆด้วยความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวเมื่อรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวจะเห็นใจที่คิดนิดไปเห็นใจที่คิดนิปนดนปรุงแต่งต่างๆแล้วเราไม่ตามมันไปเรากลับมารู้สักตัวกายเนี่ยจะ บอกความจริงเมื่อเปรดเมื่อ ก, ก็บอกเปรดเมื่อเมื่อร้อนก็บอกร้อนเขาไม่โกหกเลยแต่ความคิดเนี่ยนะมันบางทีมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมบางทีมันก็หลอกเราพา <c oughs> อย่าไปทำเลยทำไม่ดีหรอกนะอ่ะมันคิดไปแล้วไม่มีอะไรเลยเอ๊ะทาไปแล้วมันจะได้อะไรพุทธเจ้าสอนหรือป่าเออมันก็คิดตัวเรื่องนะใช่ไนะ้มเนี่ยมันหลอกมันหลอกให้เราเลิอกอ่ะ นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นพญามาหา น, นันหนึ่งนะถ้าเราม่รู้เท่าทันแต่พญามาเนี่ยถ้าเรามีปัญญาณพลิกกับกลายเป็นพุท ธ, ธะเลยนะจากคือต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีสติมีความวรู้สึกตัวชัดเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยนะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราได้ปัญญาจากกิเลสเราได้ความตื่นจากความเม่องนะ เพราะนั้นเราเรียนรู้เนื่องนะี้จากสิ่งที่มันไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีได้ด้วยสติด้วยปัญญาเพราะนั้นการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวนะี่จึงเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำให้ถูกต้องนะมันก็จะเกิดผลทำให้เราเนะี่ยกลับคืนสู่ความเป็นปกตินะจิตใจเป็นปกติไม่ตกอยู่ใต้านาจของความคิดไม่ตกอยู่ใต้านาจของอารมณ์ นะแลเราก็จะได้สัมผัสความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเรา่านะเป็นความสุขที่เป็นปกติสุขเป็นความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่ไม่ต้องวิ่งหาวัตถุข้างนอกเส่งที่อยู่ข้างนอกเราเพียงแต่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงให้เราสะดวกสบายเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปวิ่งหามันโดยนี้ส่วนใหญ่เราไปวิ่งหาวัตถุภายนอกใช่ไหมมาบำรุงบำเรอแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย แล้วก็เสียงเงินเพิ่ ม, พมขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจก็เงินไม่พอใช้แล้วยังดี๋วนี้ก็มีสิ่งเ ส, สนอสนองเงนมากมายเลยเสนอว่ามันเป็นความสุขเป็นความสุขเอาง่ายๆอย่างเวลาเราเครียดเนี่ยเราแก้ปัญหาไงดูหนังฟังเพล ง, พลงกินเที่ยวใช่ไหมหรือบางคนกินเอาอาหารนี่มาแก้เครียดมันแก้ไม่ได้หรอกมันแก้กบเกินนั้ น, น, นเอง เคียดจะให้ความรู้สึกตัวมันจะแก้ได้อย่างเราทําเนี่ยหนาก็เป็นการฝึกหนาที่จะสัมผัสวิที่จะปรับสมดุลภายในตัวเราเองนาด้วยความรู้สึกตัวหนาเพราะนั้นการเจริญสตินี่จะทำให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้สัมผัสกับความสุขที่มีอยู่ในใจของเรานาเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็จะเผยแผ่ไปกับคนใกล้เคียงคนในครอบครัว เพื่อเริ่มงานประเทศชาติสังคมต่อไปเพราะฉะนัน้นสันติสุขในใจเนี่ยมันจะทําให้เกิดสันติภาพในสังคมทำให้เกิดสันติภาพในที่ทํางานทําให้เกิดความสุขในสังคมในโลกได้เ <Yeah. S 1> พราะนัน้นเราเริ่มต้นที่ตัวเรานะความสุขเริ่มต้นที่ตัวเราความสงบเริ่มเพิ่ที่ตัวเราความสงบนี้เป็นสงบแบบรู้ไม่ใช่นสงบแบบน่งไม่รู้ เสนอเพื่อปล่อยวางความคิดได้ได้วยความรู้สึกตัวนี่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เรามาฝึกกันแต่ก่อนที่จะผ่านไปถึงตรงนั้นได้ต้องใช้ความเพียรพยายามหน่อยต้องพร้อมต้องเจอกับความยากลําบากหน่อยเมื่อเราเปีนเขาจะขึ้นไปถึงยอดเนี่ยมันต้องเหนื่อยหน่อยแต่เมื่อเราไปถึงยอดแล้ว โอ้โหมันโล่งสบายใจปลอดลงประเบียงสิ่งสวยๆง า, งงามๆที่อยู่ข้างบนนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเหมือนกับเราไต่เขาขึ้นไปนี่แหละยิ่งเฉพาะวันสองวันนี้ก็ตงใช้ความพยายามใช้ความเพียรใช้ความอมดทนนะอย่าไยอมแพ้นะคนที่มากลุ่มก็ดีคนที่ไม่มากลุ่มก็ดีคนที่มาปฏิบัติอยู่ที่มัสยิดสุโกโตอยาจะชวนนะมาแล้วเนี่ยอยายอมแพ้นะ หรือว่า้ะไม่เข้ากลุ่มเลยนะทําไปทํามาเรื่องกลับไปนอนเลยเสียดายเวลากลับไปนอนบ้านดีกว่าอย่ามาป่าสกปเต่าเลยทามาแล้วมาทำเรื่อหม่แล้วกลับไปนอนเน่ยเสียดายเวลาเรื่องมาเลยครับแต่เรื่อใช้เวลามันคุ้มค่าและยิ่งเรามาอยู่ที่นี่เป็นสถานที่ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติอย่าปล่อยเวลานะถ้าใครปล่อยเวลาในประมาทเลยนะ ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ชาติหน้ากับพรุ่งนี้อนไรจะมาก่อนกันน่าเสียดายนะถ้าเมืเอไปสุขสบายอยู่ไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญความยากลำบากชีวิตเราก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่มีพัฒนาสติของเราก็จะไม่พัฒนาขึ้นนะรันนั้อยากจะเชิญชวนใครที่มาดูวัดป่าสุวรรณโนะพยายามฝึกด้วยนะเรื่องนี้นะ นราก็คงจ ะ, ะสรุปในตอนท้ายว่าอะไรการจเจริญสติเนี่ยขอให้เราเริ่มต้ น, นที่จะมารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆามารู้สึกตัวที่เคลื่อนไหวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันจะไปเห็นจิตคิดนักเองแล้วมันจะไปทอนกำลังความคิดเองมันจะเข้าไปจัดระเบียบความคิดเองแล้วก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นปกติเป็นความสุข ที่ประณีตที่เกิดมาครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้สัมผัสกับความสุขนี้แล้วน่าเสียดายมากนะความเป็นปกติสุขของใจนะโดยเฉพาะที่เรามาอยู่เนี่ยห้าวันเจ็ดวันเนี่ยนะก็ลองดูนะบางคนอาจจะได้สัมผัสนะแล้วก็ไปใช้ได้นะไม่จำเป็นต้องบวดหรอกนะทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้เป็นสิ่งที่ไม่ไมเกินวิสัย ในที่สามารถจะทำได้นะก็ขอมโนทนาเนาะในความตั้งใจของพวกเราทุกคนแล้วก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนไตรนะก็มีพระพุทธธรรมพระสงค์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้เตืน่นผู้เบิกบานนที่เป็นสติปัญญาที่มีอยู่แล้วในตัวของเรา พระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนาะที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นนะก็คือธรรมชาติของกายของใจที่มีการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้และไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้มันแสดงออกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะที่เราจะต้องดูเข้าไปโดยใช้สติสัมปชัญญะนั่นเอง แล้ก็ประสงค์ก็คือความเพียรพยายามการปฏิบัติของเรานะเอาตัวเรานี่แหละปฏิบัติปฏิบัติลงไปทุ่มลงไปด้วยความเพียรความพยายามความอดทนนะจองเป็นพระบ๊อบปัจจัยให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะที่เป็นความสุขนะสุกยอดนะของมนุษย์เรานะที่เกิดมาครั้งหนึ่ง ในเรื่องนี้โดยชั่วหน้ากันเทินเจริญพร